เอาธรรมะธรรมะเป็นหลักไว้เรื่องอื่นๆไม่สำคัญธรรมะถ้าเราศึกษาได้นะใจเราจะพ้นความทุกข์ไปพ้นเป็นลาดับลาดับไปเคยทุกข์มากก็ทุกข์น้อยลงเคยทุกข์นานก็ทุกข์สั้นลงวินิูชนเห็นด้วยตนเองคือคนที่รู้ผิดชอบชั่วดีจะรู้ถึงความเปลี่ยนแปลงของตนเองรู้ได้ เคยทุกมากนะทุกน้อยๆเคยทุกนานก็ทุกสั้นๆความเป็นปฏิปักษ์กับสิ่งแวดล้อมก็ลดลงนะแต่เดิมเราเป็นปฏิปักษ์กับสิ่งต่างๆมากมายเหลือเกินอย่างเราเป็นปฏิปักษ์กับความแก่ความเจ็บความตายความพลัดพลากจากสิ่งที่รักอย่างน้ํามาเราไม่ชอบนะ้นํามาเยอะไปไม่ชอบ ไม่มีน้ำยิ่งไม่ชอบกว่า น, นี้เองนะถ้าเราภาวนาแล้วเราไม่ปฏิเสธสภาวะที่มันปรากฏ ต, ต่อหน้าต่อตาแต่ไม่ใช่ยอมจำนนยังมีปัญหาก็แก้ปัญหาเต็มที่เลยสุดฝีมือเราทําธุรกิจนี้ตั้งเป้าต้องเอากาไรก็ถูกแล้วทําธุรกิจก็ต้องตั้งเป้าเอากาไรไม่ใช่ตั้งมูลนิธินี่ เราทุ่มเททำงานเต็มที่ได้ผลแค่นี้แหละผลประกอบการปีนี้ได้แค่นี้พอใจแล้วล่ะมีความสุขที่ได้ทำให้เต็มที่นี่คนส่วนใหญ่ใจมันไม่ถึงมันต้องมีความสุขจากผลที่ได้รับเยอะๆพวกเราตอนนี้คนไหนได้ทำงานที่ชอบบ้างมีไหมที่เราชอบคนมีบุญ คนไหนทำงานที่ไม่ชอบมีไหมตอนนี้มีไหมเลยไม่ยอมมีเลยหายหมดเลยมีงานที่เราไม่ชอบทํางานที่เราชอบรู้สึกไหมมันมีความสุขที่ได้ทํามีความสุขตั้งแต่ตอนทําลน้วงานที่หลวงพ่อชอบที่สุดนั้งานภาวนาหลวงพ่อ ไ, ได้ภาวนาหลวงพาก็มีความสุขของหลวงพ่ออยู่แล้วตั้งแต่เป็นโยม ถึงวันวันหยุดอย่างวันเฉลิมพระชนพรรษาวันที่ห้านะวันที่สิบก็หยุดวันที่ห้าก็หยุดเนี่ยต้องวางแผนลา ง, งานให้ดีเลยได้ยาวสองคนตาใหญ่วางแผนไปวัดโน้นวัดนี้ไปหาที่ภาวนามีความสุขของเราคือภาวนาภาวนาเราทำทุกวันมีความสุขเวลาทำงานนะไม่ได้คิดถึง ว่าจะได้อะไรเรามีความสุขตั้งแต่ได้ทํางานถ้าพวกเรามีใจได้อย่างนี้นะพวกเราจะมีความสุขอยู่ในชีวิตจริงๆนี่แหละถ้าเราทํางานไปด้วยความตรอมใจนะต้องมีผลงานดีๆออกมาเช่นแต่ละปีต้องได้ร้อยล้านสมมติปีนี้ได้99ล้านเสียใจชีวิตเลวซ้ำแล้วเกิน การภาวนาเหมือนกันนะเราอย่าหวั ง, วงผลมากนะเราสันโดษในผลขยันทําเหตุสันโดษคำว่าสันโดษไม่ใช่สันโดษในเหตุเราแยกธรรมะให้ดีสันโดษนนะดั้นสันโดษในผลทําเหตุให้เต็มที่ถ้ามีความสุขในการทําเหตุได้ยิ่งวิเศษใหญ่อย่างคนไหนภาวนาด้วยความตรอมใจอยากเป็นพระโสดา ความจริงก็อยากทุกคนแหละนี่อยากเป็นพระโสดานะแต่ขี้เกียจภาวนามีไหมเรามีไหมการภาวนาจะเป็นเรื่องฝืนใจรู้สึกไหมแต่ถ้าเมื่อไหร่รู้สึกว่าการภาวนานะสนุกสนุกมันมีชันทะที่จะภาวนานะลืมคําว่ามักผลไปเลยหลวงพ่อเองตั้งแต่เด็กนะนั่งสมาธินั่งทุกวันเลยรอเวลาได้มักผล ไม่เห็นมันจะได้เลยนะลออยู่กันนะภาคเพียนแต่ต่อไปนั่งนั่งไปนะชอบขึ้นมาอันนี้ไม่คิดเรื่องมรรคผลแนละ้วชอบทุกวันนั่งสมาธิมีความสุขก็ไม่เห็นได้อะไรขึ้นมาแต่ก็ทําอยู่งั้นนะ่ะตั้งยี่ส mm ิบกว่าปีมาเจอหลวงปูดด่ดุลท่านสอนให้ดูจิตดูจิตในขั้นที่ท่านสอนหลวงพ่อ น, นี่ในขั้นเจริญปัญญานะานสอนแต่ละคนไม่เหมือนกันหรอก ท่านบอกให้ดูจิตที่แรกหลวงพ่อไปประคองจิตให้นิ่งๆว้างๆไปส่งกันบ้านโดนดูซิงว่าแทรกแสงจิตไปรักษามันทำไมให้ดูมันไม่ใช่ให้ไปรักษามันแล้วดูมันทำงานเห็นแต่ความเป็นไตรลักษณ์พอหัดดูจิตเธอาอู้สนุกจังเลยจิตเราแต่ละวันแต่ละเวลาไม่เคยเหมือนกันเลยยิ่งดูไปยิ่งดูไปนะได้ความรู้ความเข้าใจมากขึ้นมากขึ้นนะมันสนุกนะ ของไม่เคยรู้ก็ได้รู้ของไม่เคยเห็นก็ได้เห็นอะไรบ้างที่ไม่ค่อยเคยเห็นกิเลสเนี่ยไม่เคยเห็นหรอกเห็นแต่กิเลสคนอื่นนะกิเลสคนอื่นไหวแว บ, บนี่เห็นเลยกิเลสเรานี่ไม่เคยเห็นเลยกูเก่งเนละกูดีดนะีกูนี่สว่างจิตสว่างคอยดูด้วยนะว่าตอนนี้แสงของจิตโตแค่ไหนแล้ว ใครดูว่ามันจะโตขึ้นไหมใครเคยดูอย่างนี้บ้างาวัดความก้าหน้าด้วยแสงอยากให้มันเต็มโลกธาตุได้คงจะดีอยากให้เต็มโลกธาตุ่ยได้อันแค่เนี้ย <c oughs> พราะสนุกกับการปฏิบัตินะไม่คิดเรื่องผลนะขยันทำเหตุมันมีความสนุกที่ได้ดูจิตดูใจตัวเองมันก็มีฉันทะที่จะดูมีความพอใจที่จะดู ไม่ฝืนใจที่จะดูไม่ต้องให้ครูบาอาจารย์สั่งให้ดูเลยดูเองทุกวันดูเองเพราะม่มันสนุกอย่างเลยได้รู้อะไรแปลกๆไม่เคยรู้เท่าทันกระบวนการทำงานของจิตเนี่ยได้รู้กระบวนการทำงานของจิตโอ้ความทุกข์นี่จิตปลุงขึ้นเองนี่ว่าคนอื่นมันสร้างปัญหาได้แต่มันสร้างความทุกข์ให้จิตเราไม่ได้หรอกเ น, นี่ยเป็นความรู้ความเข้าใจนะยิ่งภาวนายิ่งเข้าใจความจริงของชีวิตมากขึ้นมากขึ้น มีชันทะที่จะภาวนาวิริยะก็เกิดขยันพอมีวิริยะแล้วนะจิตใจก็ตั้งมั่นจดจ่อกับการตามรู้ตามดูจิตเรียกว่าจิตตะจิตใจนะเค้าเคลียร์อยู่กับการเรียนรู้เรื่องจิตค้นคว้าพิจารณาดูมันทำงานบ้างพิจารณาบ้างอะไรเงี้ยบางทีดูแล้วไม่รู้จะไปทางไหนต่อนะก็คิดเรื่องใจรลง่ใลงใจรักบ้างอเงยเป็นการกระตุ้นให้จิตมันเดินปัญญาต่อ แต่ตรงที่คิดพิจารณาไม่ใช่วิปัสนาเป็นอุบายกระตุ้นจิตใ ห, ให้เดินปัญญาเท่านั้นแหละตรงที่จิตใจใคเคล้าเคลียกับการปฏิบัตเิเรียกว่าวิมังสานะมีชันทะมีความสุขมีความพอใจที่จะดูจิตขยันก็เกิดวิริยะขึ้นมาจิตใจก็คอยจดจอ่อมีสมาธิจดจอ่อจิตใจคล้าเคลียอยู่กับการเรียนรู้เรื่องจิตเรื่องใจเรียกว่าวิมังสาจดจ่อเรียกจิตตะ ฉันทาวิญญาจิตตาวิมังสาเป็นองค์ธรรมกลุ่มหนึ่งเรียกว่าอิทธิบาศสีอิทธิบาศสีทำให้ประสบความสำเร็จนะอิทธิบาศสีเป็นธรรมะที่ทำให้ประสบความสำเร็จอย่างพวกเราจะทำธุรกิจนะถ้าเรามีความสุขในกิจการที่เราทำนะมันจะขยันนะไม่ฝืนใจทําถ้าเราไม่ได้มีความสุขในการทางานก็ฝืนใจทาขี้เกียจจะต้องฝืนเอา ฝืนเาจิตใจไม่มีความสุขนะไม่อยากทําไม่อยากคิดไม่อยากสนใจฉันทาวิริยะจิตตาวิมังสาไม่มีผลงานไม่ดีอะ่ะงั้นถ้าเรารักในการดูจิตดูใจรักในการปฏิบัตินั้นมันจะขยันไม่จะจดจอ่อมันจะเคล้าเคลียอยู่กับการปฏิบัติไม่เอาอืนอ่นออกถึงวันหยุดก็คิดแต่จะไปวัดนนทนวัดนี้นะไปหาที่ปฏิบัติพวกเราค่อยสังเกตตัวเองนะถ้าเรา ยังไม่รักการปฏิบัตินะยินเสียงอ่อนหน่อยนะถ้าเราสนใจอยากปฏิบัตินะใจมีความสุขที่ได้ปฏิบัติปฏิบัติโดยไม่มีใครบังคับได้โอ้เก่งแล้วใช้ได้ถ้ายัางต้องฝืนใจทุกวันต้องฝืนใจไม่ได้เดี๋ยวหลวงพ่อถามฝืนใจทำบางทีฝืนมาตลอดหลายวันไม่เคยสําเร็จเลยสู้กิเลสไม่ได้ไม่ค่อยปฏิบัติจะมาถึงหน้าวัดนะครับรถมาใกล้วัดหลวงพ่อโอ้ขยันปฏิบัติที่ไม่ ปั้นมาซะแข็งเลยเราทำให้เป็นธรรมชาตินั้นแข็งหนักๆนักแน่นๆน่นแข็งแข็ ง, ขงไม่ดีให้พวกเราถ้าเราเห็นผลประโยชน์นะเราดูแล้วเรารู้สึกว่าเออมันดีนะที่ได้ดูจะขยันดูจะเกิดความรักความพอใจที่จะดูขึ้นมาใหม่ๆยังไม่เห็นผลเราต้องอาศัยศรัทธาอดทนเอาไหน หลวงพ่อก็อาศัยศรัท ธ, ธารักพระพุทธเจ้าไม่เคยเห็นท่านหรอกแต่รักท่านตั้งแต่เป็นโยมนะตั้งแต่เด็กๆรักพุทธเจ้าชอบฝังธรรมะชอบอะไรงเงี้ยนะรักธรรมะพระสงฆนะ์ไม่รู้จักเห็นพระก็รู้สึกว่าไม่ใช่หรอกตอนเด็กๆ เ, เรียนอยู่โรงเรียนวัดนะแต่อย่าไปเอ่ยชื่อเลย เข้าไปกลางวันนะคนอื่นเข้าไปวิ่งเล่นลเราก็ไปนั่งในโบสถ์โบสถ์เก่ามากเลยตั้งแต่ต้นกรุงรัตนโกสินทร์นะเก่าเก่าพระประธานก็เก่าไปนั่งสมาธิในโบสถ์โบสถ์เก่าเก่ามีข้อดีอย่างนะไม่มีคนเฝ้าถ้าโบสถ์สมัยใหม่นะคอยเปิดคอยปิดนะเดี๋ยวของหายในกลางวันนี้ไปนั่งสมาธิอยู่ในโบสถ์ บางทีก็เดินไปกราบพระนะไปกราบถึงตักท่านเลยนะรักท่านโอ้เขาท่านยุ้ยออกมาติดมือมาเลยตายพระพุทธเจ้าท่านชรามากแล้วนะรู้สึกเด็กๆนะโอ้พระพุทธเจ้าท่านก็เก่าๆแล้วนะพระธรรมอยู่ไหนก็ไม่รู้นะเห็นพระเดินไปเดินมารู้อย่างเดียวไม่ใช่หรอกไม่ใช่หรอกใจรู้สึกอย่างนั้นนะพระแท้ยังไม่ได้เป็นอย่างนี้ ใจรู้สึกแต่ว่าเป็นยังไงไม่รู้หรอกนะาหัดภาวนาทุกวันนะเพราะมันมีความสุขมีความพอใจที่ได้ภาวนาทําสมถะทํามาเรื่อยพอมาเจอหลวงปู่ดูลมาเจริญปัญญาสนุกในการเดินปัญญาคราวนี้เจริญปัญญาอุตรุดเลยไม่ยอมทําสมถะเลยอยู่ได้สองปีนะสมาธิก็เสื่อมไม่พอต้องกลับมาทําอีกอันนี้เลยทําควบคู่กันมา วันไหนมีกําลังก็ดูจิตดูใจไปวันไหนแรงตกมาหน่อยดูจิตไม่ออกบางช่วงเวลาในวันเดียวกันละช่วงนี้ดูจิตออกดูจิตช่วงนี้ดูจิตไม่ออกดูกายช่วงนี้ดูจิตก็ไม่ได้ดูกายก็ไม่ได้พุทโธไปหายใจไปทําสมถะเมืจิตมีเรื่องมีแรงก็กลับมาดูจิตดูใจต่อเนี่ยเวียนอยู่อย่างนี้นะเลิกงานแล้วไม่ไม่ทะเลทลัยเลิกงานแล้วรีบกลับบ้านรีบไปกินข้าวไปอาบน้ำอะไรอย่างเงี้ย แล้วมีเวลาเหลือได้ภาวนามีความสุขดูทีวีเฉพาะรายการข่าวสมัยก่อนข่าวไม่ได้ตลอด24ชั่วโมงเท่าทุกวันนี้นะมีข่าวเป็นช่วงๆเท่านั้นนานๆมีทีดูข่าวภาคค่ำจบพระราชสำนักก็เลิกแล้วไม่เอาแล้วไม่ดูแล้วเป็นเวลาส่วนตัวภาวนาทำไปอย่างมีความสุขการภาวนาไม่ช้าเพราะทุกวันทาในรูปแบบอยู่ เวลาที่เหลือจเจริญสติในชีวิตประจาวันตอ น, น, นไหนได้ดูจิตได้ดูจิตดูจิตไม่ได้ดูกายดูจิตไม่ได้ดูกายไม่ได้ทำความสงบพุโทโธไปหายใจไปไม่ทิ้งเวลาเปล่าเปล่านี่ภาวนาอย่างนี้อยู่ตลอดมาไปทมวัดนะพระถามโยมทำได้ไงพระทําิบปี20สิบปีไม่ได้เท่านี้โยมทำทั้งวันนี่คือคำตอบสุดท้าย ทำทั้งวันทำตั้งแต่ก่อนตื่นก่อนตื่นจริงๆนะตอนจิตจะเริ่มตื่นนีจิตเคลื่อนขึ้นจากภวังเนี่ยรู้มาตลอดรู้จนมันเหมือนเปิดสวิตต์ปุ๊บขึ้นมาเปิดสวิตต์ขึ้นมานั่งรัศมีจิตกระทบเข้าที่ร่างกายก็รู้สึกถึงความมีอยู่ของร่างกายกระทบเข้าที่ความรู้สึกนึกคิดก็รู้ทันความรู้สึกนึกคิดที่แรกไม่มีความรู้สึกนึกคิดนะรู้แต่ มีจิตอยู่จิตผุดขึ้นมาเห็นมันเคลื่อนขึ้นมามันเหมือนมาหลุดออกมาแล้วมาเปิดสวิตปุ๊บขึ้นมารู้กายรู้ใจตืน่นขึ้นมาปุ๊บนอนอยู่ท่าไหนก็รู้จิตใจเป็นสุขเป็นทุกข์เป็นกุศลอกุศลก็รู้นอนหลับจิตเป็นอกุศลได้ไหมตอนหลับมีไหมเยอะแยะไปตอนหลับปรุงอกุศลก็มีปรุงกุศลก็มีพวกเราเวลาหลับ กุศลหรืออกุศลมากกว่ากันตอนเนี้ยมีไหมดูออกไหมฝันถึงพระบ้างไหมฝันถึงพระเป็นกุศลหรืออกุศลไม่แน่เห็นพระถือซองดีกามาออจิตเกิดอกุศลเลยมาอีกแล้วเนี่ยคอยดูนะนกุศลอกุศลถ้หมุนอยู่ทั้งวันคอยรู้ทันไปด้วยการภาวนาไม่มีอะไรมากนะ รู้สึกตัวให้ได้ถ้ารู้สึกตัวได้ก็ไม่ใจลอยไม่เพ่งไว้ไม่เผลอไม่เพ่งเอารู้สึกตัวได้แล้วก็ดูกายทํางานดูใจทํางานทําตัวเป็นคนดูดูเขาทํางานอย่าไปบังคับกายบังคับใจบังคับกายบังคับใจเรียกว่าอัตตะกิลมัฏฐานโยคลืมกายลืมใจปล่อยตัวตามกิเลสเรียกว่ากามสุขาลิกานโยครู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงนี่แหละทางสายกลาง ยพยายามรู้สึกตัวนะแล้วก็ดูกายดูใจทํางานไปเนี่เดินอยู่ในทางสายกลางเป็นมากครปฏิปทาดูกายทํางานดูใจทํางานวันนึงก็เห็นความจริงเองทําของเองเองนะมีเหตุเองก็ทําไปอย่างความโกรธจะเกิดนีต้องมีเหตุความโลภจะเกิดก็มีเหตุนะศรัทธาจะเกิดก็มีเหตุเหตุของศรัทธามีอะไรบ้างยกตัวอย่างได้ไหมดูออกบ้างไหม อย่างเรามีเพื่อนฝูงเขามีศรัทธาใช่ไหมเราคบรบรยาณมิตรเนี่ยที่เขามีศรัทธารักษาศรัทธาของเราได้ดีขึ้นภาวนาของเราตัวคนเดียวโดดเด่ไปนะพอศรัทธาตกแล้วไม่มีใครช่วยดึงอี้กันมีหมูมีคณะที่เขาเป็นกาลยานมิตรจริงๆช่วยกันประครับประคองกันไปช่วยรักษาศรัทธาก็ได้ก็ อ, อันพิจรณาคุณของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อยู่เป็นช่วงๆอะไรเงี้ย ก็ทำให้มีศรัทธาอยู่ทำได้ทุกอย่างมีเหตุหมดสภาวะทั้งหลายนะถึงจะเป็นอนัตตาบังคับไม่ได้นะแต่สภาวะทั้งหลายมีเหตุทั้งสิ้นอนัตตาไม่ได้แปลว่าไม่มีอะไรเลยอนัตตานั้นแปลว่าไม่อยู่ในอำนาจบังคับสิ่งทั้งหลายไม่อยู่ในอำนาจบังคับหรอกมันเป็นไปนตามเหตุอนัตตาไม่ได้แปลว่าว่างเปล่าอย่มกง่ายนะบางคนมักง่ายอนัตตาเพราะไม่มีอะไรเลย ไม่มีอะไรเลยเป็นมิจฉาทิฏฐิชื่อนัตถิกะทิฏฐินะไม่ใช่ศาสนาพุทธนะมีเหตุก็มีไม่มีเหตุก็ไม่มีอย่างพระละหาันสมัยพุทธกาลท่านคุยกันนะมีองค์หนึ่งท่านยังไม่เป็นพระละหาันท่านก็ประกาศเลยว่าถ้าบารรลุพระละหันแล้วทุกอย่างจะสูญไปหมดเลยนะไม่มีอะไรเหลือเลยนะพวกพระก็เตือนบอกพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนอย่างนั้นนะ อย่างนี้เป็นมิจฉาทิฏฐินะอะไรๆก็ศูนย์หมดเลยนะไม่มีอะไรเหลือเนี่ยมันเป็นอุเฉททิฏฐินะเป็นมิจฉาทิฏฐิตระกูลนะึงท่านก็ไม่เชื่อพวกเพื่อนสหธรรวิก็สงสารท่านนะไปบอกพระสารีบุตรให้มาแก้ให้สารีบุตรก็ามานั่งถามรูปเที่ยงหรือไม่เที่ยงเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเที่ยงไหมสิ่งใดไม่เที่ยงเป็นสุขหรือเป็นทุกขนะ์สิ่งที่เป็นทุกขนะ์ควรหรือว่าเป็นตัวเป็นตน้น ในท่านฟังธรรมะท่านก็บรรู้พระละหันนะท่านบรรลุพระละหันพระสารีบุตรก็ถามพระละหันตายแล้วไปไหนถ้ามีผู้หนึ่งผู้ใดถามท่านว่าพระละหันตายแล้วไปไหนท่านจะตอบว่ายังไงนี่ท่านตอบบอกว่าโอ้ถ้าใครถามอย่างนั้นผมจะตอบว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปจบและคําตอบสอบได้ละสอบผ่าน ก็ไม่มีพระลรหัน์มาตั้งแต่แรกแล้ว <นะ S 1> มีแต่รูปเบทนาสัญญาสังขารวิญญาณนั่นละเกิดแล้วก็ดับไปไมีอยู่เท่านั้นเอง <นะ S 1> สัญญาเข้าไปหมายผิดเว่ามีพระละหั น, น <ะ S 1> ถามว่าเราศูนย์ไหมศูนย์ได้ยังไงของไม่มี <นะ S 1> ของที่มีเหตุก็เกิดหมดเหตุก็ดับบังคับไม่ได้ก็มันไม่มีเหตุมันก็ดับบังคับไม่ได้ศูนย์หรือเปล่าไม่ใช่ศูนย์นะ แค่ฟังที่ท่านตอบกันยังไม่รู้เรื่องเลยนะอยากรู้เรื่องต้องเรียนให้ได้นักธรรมอีกเอาต่อไปส่งกันบ้านคนอยู่วัดเอาก่อนไม่เอาก็ผ่านก็จะถวายหลวงพ่อว่าประโยชน์ที่ผมได้จากการมาอยู่วัดก็คือว่าทำให้ผมรู้ว่าผมภาวนายังไม่เป็นครับผมก็ที่จะถามหลวงพ่อว่าอย่างนั้นอย่างนี้ก็ ของพ่อได้เทศมาทั้งตอนต้นและตอนเมื่อกี้หมดแล้วครับที่จริงหลวงพ่อตอบทุกคําถามอยู่แล้วล่วะที่จําเป็นสําหรับการปฏิบัติส่วนที่ไม่จําเป็นไม่ตอบหรอกที่ไม่ตอบพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนไว้ทําไมท่านไม่สอนไว้เพราะไม่จําเป็นความรู้ของท่านเยอะแต่ท่านสอนนิดเดียวใบไม้หนึ่งกำมือใบไม้ในกํามือนี้มีสี่ใบทุกสมูทัยนีโรดมักเท่านั้นเอง ก, ก, การนมัสการหลวงพ่อคะ่ะก็ตามรู้ตามดูอารมณ์แล้วก็จะมีอยู่ช่วงหนึ่งพอเรารู้รู้อารมณ์หรือกิเลสแล้วเนี่ยมันจะมีช่วงว่างๆอยู่นิดหนึ่งสั้นๆนะคะตรงนั้นนี่ไม่ทราบว่าปฏิบัติ ถ, ถูกตรงตรงถูกน้ําจะมีช่องว่างขั้นอยู่นิดหนึ่งตรงที่รู้นั่นแหละว่างๆอยู่แวบหนึ่งเดี๋ยวก็ปรุงต่อแล้วก็ ก็จะดับไปแล้วก็มันจะเกิดอารมณ์ใหม่ขึ้นมาออแล้วก็รู้อีกได้รู้อย่างนั้นมันจะมีจิตขึ้นวิถีนะขึ้มารับอารมณ์นะรับแล้วก็ดับมีช่องว่างมาขั้นเกิดขึ้นมาใหม่ดับมีช่องว่างมาขั้นถ้าเห็นอย่างนี้นะทำวิปัสสนาได้แนละ้วแล้วตอนนี้นี่จะต้องปฏิบัติอะไรเพิ่มเติมชีโมโหไหมไม่มากค่ ะ, ะก็จะรู้ตัวได้เร็วแล้วก็จะ รู้เนี่ยเพราะว่ามันหายไปเพราะว่าไปเพ่งมันหรือเปล่าไม่นะคะรู้เฉยๆตอนที่รู้เนี่ยจิตปล่งโล่งเบาไหมหรือจิตนแน่นๆเ<ม>อ้ต้องต้องดูนะอย่าให้แน่นนะถ้าแน่นนั้นจงใจรู้ไม่ดีรู้เป็นธรรมชาติใจนะรู้ตื่นเบิกบานไปอย่างนั้นจึงจะดีการที่เราเห็นสัน ต, ติขาดนะดีแล้วสัน ต, ติขาดก็คือเราเห็นจิตขึ้นวิถีนะแล้วก็ดับใช่ไหม มีช่องว่างมาขัาน้นมีจิตอันหนึ่งขึ้นมาแล้วก็ดับไม่มีสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่ต่อเนื่องอมตะเลยมีแต่สิ่งที่เกิดแล้วดับทั้งสิ้นเห็นอย่างนี้แหละดีแต่ว่าอย่าจงใจเห็นนะถ้าอยากจะเห็นตลอดจะไม่เห็นเลยต้องแบบไม่ได้ตั้งใจดูสบายๆดูด้วยใจที่โปร่งโล่งเบาสบายแต่ไม่น้อมใจให้โปร่งโล่งเบาดูด้วยใจที่เป็นธรรมชาติธรรมดาถึงจะเห็น พเห็นซ้าๆไปเรื่อยนะจิตี่จะสรุปความจริงขึ้นมาว่าสิ่งใดเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งหมดดับเป็นธรรมดานะถ้าจิตมันสรุปอย่างนั้นก็ได้โสดาแต่ถ้าเราสรุปไม่ได้บางคน ร, รีบสรุปแทนจิตนะดูทุกอย่างไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาปิ้ง <c oughs> ไม่ได้กินหรอกแล้ว <c oughs> จิตเขาสรุปของเขาเองไปทำต่อ แต่ต้องดูให้มันสบายนะอย่าดูด้วยความขัดเคืองสภาวะนะดูสภาวะอย่าที่เขาเป็นอย่าไปเกลยดเขาฝากไว้ตรงนี้แหละอา้าวใครจะคุยกับหลวงพ่อตามความจําเป็นกรรมนกรรมนมาสการครับก็ส่งกับบ้านต่อจากคราวที่แล้วประมาณ3เดือนครับคราวที่แล้วที่เคยส่งว่าช่วงที่เราปรุงจกกัดการนั่งทํางานนั่งเล่นคอมพิวเตอร์ครับ แล้วก็เห็นกิเลสมันปรุงไปเรื่อยๆแล้วก็อยู่ดี ๆ, ๆเห็นมันจิตมันตั้งมั่นดิดตัวขึ้นมาอแล้วก็มองดูทรงส่วนของของแขนของเราที่เราถือคอมพิวเตอร์ครับเห็นเหมือนเป็นวัตถุที่มันกลืนครับนั่นแหละพอจิตตั้งมั่นนะจะเห็นรูปนามได้เหลือแต่รูปนะไม่ใช่คนลนะไม่ใช่แขนนั่นแหละดีก็คราวนี้ก็ส่งกันบ้านต่อครับเรื่องแรกคื อ, อตอนที่ผมนั่งสมาธิครับมีครั้งหนึ่งมันมี สัญญาผุดขึ้นมานะครับแล้วเราก็เห็นเราก็ตามดูมันแต่ทีนี้พอเราเห็นสัญญามันผุดขึ้นมาเราเห็นโทสะมันผุดขึ้นมาชัดเจนนะครับพอมันผุดขึ้นมาเสร็จมันเห็นลักษณะของโทสะมันเปลี่ยนแปลงไปเป็นสภาพเหมือนเป็นเป็นหมอกควันนะครับแล้วมันก็ลอยลอยออกออกห่างไปจากเราเว้นระยะระหว่างเรากับตัวโทสะแล้วเสร็จมันก็ลอยหายไปมันก็ มันมันเหมือนได้ปัญญาจากการที่เห็นตรงนั้นนะครับนั่นแหละปัญญาละไม่มีอะไรเป็นตัวเราสะกันเลยนะกระทั่งโทสะมีเหตุมันก็เกิดหมดเหตุมันก็ดับบังคับไม่ได้นะ้หนีไปได้ด้วยดีแล้วก็มีอีกอันหนึ่งคือผมสังเกตช่วงสองสามเดือนนี้มันเหมือนมีความรู้สึกว่าบางช่วงเราเป็นกลางมากขึ้นแล้วก็าบางช่วงเห็นสังเกตว่าใจมันสว่างมากขึ้นบางครั้งบนเหตุ เห็นเป็นลักษณะเหมือนเป็นแสงนะครับสว่างขึ้นแล้วก็ถ้าเปรียบเทียบกับเมื่อก่อนที่บางครั้งมันรวมกับอารมณ์ความคิดมันจะมืดหรือว่ามันมัวคือช่วงหลังๆที่เห็นคือเห็นสว่างบ่อยขึ้นมัวมันก็มัวไม่ถึงกับมืดเหมือนเมื่อก่อนอย่างเงี้ยครับแต่ว่าเท่าที่สังเกตดูพอเห็นอย่างนี้มันมันจะเกิดอยู่ประมาณสัก4ี่หวันนะครับหลวงพ่อแล้วก็มันก็กลับไปมืดใหม่บางช่วงะครับแล้วก็สังเกตผมสังเกตตัวเองลึกๆ มันเหมือนมีอัตาลึกๆอืมว่าพอใจที่ที่เห็นแสงสว่างแล้วนะครับภาวนาได้ดีมากนะที่ทาต่อไปทําถูกแล้วล่ะเห็นไหมว่ามีแต่ธาตุขันีเขาทํางานไม่มีเจ้าของนะดูไปเรื่อยๆดีผลวงพ่มีอะไรชี้แนะเพราะงี้งไปดูอีกทําถูกแล้วล่ะกันวสการอย่างจิตมันแค่เราตรึกในธรรมะนะความสุขมันก็ผุดขึ้นมาเป็นระยะระยะนะ ผลขึ้นมาเ็าเห็นว่ามันทำงานของมันได้เองทั้งนั้นเลยดูไปเรื่อยตัวตนยังมีไหมมีครับเออนะดีที่เห็นนะไปดูต่อนะอนถึงวันหนึ่งมันจะกลวงนะมีแต่ขันไม่มีเจ้าของนมัสการ์ค่ะหลวงพ่อคือหนูมาส่งกันบ้านในรอบแปดเดือนค่ะเขาที่แล้วเนี่ย คือเห็นสิ่งที่มาห่อหุ้มจิตนะคะอืคือเห็นว่าเป็นเข้าใจว่าเป็นกิเลสแต่ว่าหลวงพ่อบอกว่าเป็นตัวตันหาแล้วที่ผ่านมาเนี่ยก็รู้สึกว่าจะให้อาหารมันตลอดเลยค่ะเหมือนตัวตันหาเนี่ยมันจะบานขึ้นมันอะไรมันใหญ่ขึ้นนะคะเหรอมันให้อาหารมันอ๋อมันได้อาหารมันก็โตสิคือขอขอสิ่งที่มีสติมีสติให้ไวๆนะ ตัญหาเกิดขึ้นรู้ทันมันก็ตายไปถ้าตัญหาเกิดขึ้นเราตามใจมันนะมันจะยิ่งโตขึ้นนะแรงมันจะมากขึ้นเรื่อยๆกิเลสเป็นของน่า ก, กลัวมาใหม่ๆนะั้นดูไม่น่ามีพิษมีภัยนะคิดว่าไหมสู้ได้สบายเผลอแว บ, บเดียวตัวเบลอร์สู้มันไม่ไหวหรอกเนี่ยขยันดูบ่อยๆหลวงพ่อคะคือสังเกตว่าแม้กระทั่งว่าเราจะอยากดูอะคะ่ะ ขยันปฏิบัติก็ให้อาหารมันอยู่ดีอะค่ะให้รู้ทันไปแล้วก็ให้อาหารอย่างเนี้ยไม่เป็นไรจังค่ะเบื้องต้นต้องมีตัณหาก่อนอยากปฏิบัติก่อนนะจังแล้วรู้ทันว่าอยากแล้วก็ปฏิบัติไปอย่าไปหลงกลกิเลสนะเดี๋ยวพอเห็นว่าอยากปฏิบัติแล้วแกล้งมันไม่ให้อาหารมันนอนดีกว่าจะเสร็จเลยนะตักมันหลอกจ้าค่ะที่ส่งกันบ้านคนแรกอะนะเวลารู้สภาวะรู้สบายสบายนะ อย่าจ้องอย่าเพ่งอย่าไปกดจิตอย่าไปอลไรอย่าให้จิตหนักแน่นแข็งแข็งอะไรอรู้ไปรู้สึกสบายสบายดูสบายดูอย่างมีความสุขดูอย่างรู้เนื้อรู้ตัวดูอย่างเบิกบานนามสการค่ะหลวงพ่อคราวที่เราส่งกันบ้านหลวงพ่อค่ะหลวงพ่อทักว่าตอนนั้นเนี่ยคิดว่าปฏิบัติอยู่แต่ความจริงแล้วไหลไปแล้วคือ เหมือนแบบหลงไปอะไรเงี้ยค่ะคือนะตอนนั้นเนี่ยไม่ไม่รู้ตัวคือไม่ทราบว่าว่ามันเป็นอย่างนั้นอ้าวถ้ารู้มันก็ไม่ไหลสิค่ะทีนี้ก็เลยกลับไปลองสังเกตดูอะค่ะมันเหมือนแบบมันเหมือนรู้พร้อมกันนะคะเหมือนแบบดูลมหายใจคือมันก็ลังลังอยู่แล้วมันก็เผลอไปด้วยอะค่ะคือทีนี้อย่างนี้ใช่ไหมคถ้ารู้ทันมันนะมันก็ถอยออกมานะมันรอให้มันกลับอย่ไปดึงกลับนะดึงกลับแล้วแน่น แค่รู้ว่าไหลไปแล้วเขกลับมาเองสบายค่ะแล้วทีทีนี้เนี่ยก็ก็ลองฝึกดูแล้วรู้สึกว่าดูลมหายใจแล้วมันจะกลืนลงไปมันจะไหลมันชอบไหลมากเลยค่ะก็หให้รู้ว่าใจมันชอบค่ะหรือว่าแบบหนูก็เลยลองทำเหมือนหลวงพ่อเทียนนะคะคือมันจะสามารถช่วยได้ไหมคะไม่จาเป็นหรอ ก, รอกเราถนัดลมหายใจนะหายใจแล้วจิตเราสงบสบาย แล้วหายใจแล้วรู้ทันว่าจิตไหลออกแต่บางครั้งมันไม่ทราบอะค่ะหลวงพ่อถ้าถ้ามันละเอียดไปหายใจแรงขึ้นหน่อยเนี่ยสักเป็นช่วงช่วงค่ะแล้วก็อีกคําถามหนึ่งคือก็เท่าที่สังเกตเนี่ยคือเป็นคนรักสวยรักงามอะค่ะหลวงพ่ อ, อแล้วก็ชอบความสงบมากเหมือนแบบถ้ามีสิ่งไหนมามาแตะความสงบเนี่ยจะจะมีโทสะเกิดขึ้นตลอดเวลาที่นี้ หนูอยากทราบว่าหนูต้องทาสมาธิแล้วดูกายหรือเปล่าคะหลวงพ่อหรือว่า ก, กายกายดูได้ก็ดูไปไม่เป็นไรนะ<ฆ>แต่สำคัญคือจิตต้องตั้งมั่นซะก่อนค่<ฆ>นะเพนั้นตอนที่หลวงพ่อคอยสอนเมื่อจิตไหลไปแล้วต้องรู้ทันเนี่ยเพื่อให้จิตตั้งมั่นถ้าจิตตั้งมั่นแล้วมันถึงจะดูกายได้ถึงจะดูจิตได้<ฆ>ถ้ายังจิตไหลอ ย, อยู่ดูไม่ได้จริงค่ะตรงนั้นไม่ว่าจะดูกายหรือดูจิตจิตต้องตั้งมั่น ก็ย <idd ratchet Lust> ังไงดีอะคะหลวงพ่อคือเคลื่อนไหวบ่อยๆให้มีสติใช่เพิ่มสติขึ้นค่ะสมาธิน่ะดีอยู่แต่เพิ่มสติขึ้นค่ะคือเหมือนตอนนี้หนูแบบเหมือนหนูขยับมือเนี้ยค่ะคือคอยให้มันเป็นวิหารธรรมแล้วก็อย่าขยับให้เพลินก็แล้วกันค่ะแล้วก็นั่นก็นิสัยชอบเพลินนะขยับไปเดี๋ยวก็เพลิน อย่างนั้นเลยอะค่ะหลวงพ่อทำยังไงดีก็ค่อยรู้มันบ่อยๆแล้วเดี๋ยวมันก็ดีขึ้นใช่ไหมคะหลวงพ่อถ้ามันสติอ่อนไปก็เล่าความรู้สึกหายใจให้แรงขึ้นนิดนึงแล้วก็รู้สึกอ่อนใหม่แล้อจะทราบได้ไงว่าระดับของความเพ่งกับกัถ้าเพ่งหายใจจะแน่นๆใจมันจะหนักๆแน่นๆขอบคุณค่ะ ที่หนูทำอยู่นะ่ะดีขึ้นเยอะแล้วนะจิตมันตั้งมั่นถึงฐานแล้วก็ดูมันไปเรื่อยแต่เดิมเมื่อภาวนาแนละ้วจิตไหลไปไม่เคยเห็นก็นึกว่าดีตอนนี้รู้แล้วว่าจิตไหลพอรู้ว่าจิตไหลจิตก็ตั้งขึ้นมาแล้วจิตตั้งขึ้นมาแล้วเนี่ยต่อไปเนี่ยร่างกายพยักหน้าเห็นมันพยักหน้าจิตใจเป็นสุขเป็นทุกข์เป็นกุศลอกุศลรู้ทันเนี่ยเดินปัญญาไปเรื่อยจะเห็นในร่างกายที่เคลื่อนไหวอยู่ไม่ใช่ตัวเราเลยเหมือนหุ่นยนต์ตัวหนึ่งท่านเอง เห็นเลยสุขทุกข์ดีชั่วนั้นมาแล้วไปหมดเลยนี่แหละเดินปัญญาไปอ้าวครับกลับกลับในมรสการครับผมส่งกันบ้านในรอบสี่เดือนครับหลวงพ่อครับเป็นไงบ้างสี่เดือนนี้มันขึ้นขึ้นลงลงครับมันไม่เที่ยงอะสินะอีกแต่เดินมันก็ขึ้นขึ้นลงลงครับคาดคาดว่ามันคงจะขึ้นขลงลงไปเรื่อยเพราะมันไม่เที่ยง กระทั่งจิตพระละหันยังไม่เที่ยงเลยบางอย่างคุณสมบัติบางอย่างนะเที่ยงบางอย่างไม่เที่ยงตัวที่เที่ยงก็คือไม่มีอะไรยอมได้ตัวที่ไม่เที่ยงนะคือบางทีก็เป็นจิตที่มีความสุขบางทีก็มีอุเบกขาบางทีก็เป็นจิตที่เดินปัญญาบางทีก็เป็นจิตที่รู้อยู่เฉยๆบางทีก็เป็นวิบากจิตไปรู้อารมณ์ทางตาหูจมูกลิ้นกายนี่จิตเหมือนกับจิต ของคนทั่วๆไปจิตชนิดนี้เพราะฉะนั้นจิตของพระอราหารนันต์เองยังมีจิตนาน า, นานชนิดเลยไม่เที่ยงเหมือนกันแต่มีคุณสมบัติบางอย่างที่เที่ยงคือกิเลสยอมไม่ได้กุศลก็ยอมไม่ได้เพราะฉะนั้นการที่คุณเห็นว่าขึ้นๆลงๆลงเห็นถูกแล้วเรียกว่าเห็นตรงตามความเป็นจริงแต่เห็นใหม่ๆยังยอมไม่ได้อยากให้ขึ้นไม่อยากให้ลง มีความอยากเกิดขึ้นต่อมาเรียนไปจนกระทั่งรู้ความจริงธรรมชาติของจิตเจริญแล้วเสื่อมจริงจรงไม่ว่าธรรมชาติของอะไรทั้งสิ้นเนี่ยโยเวนพระนิพพานนันเดียวนอกนั้นเป็นธรรมชาติที่เจริญแล้วเสื่อมทั้งสิ้นให้จิตยอมรับตรงนี้ได้นะเจริญก็เป็นกลางเสื่อมก็เป็นกลางจิตไม่ปรุงต่อตรงนี้คําว่าสักว่ารู้ว่าเห็นเนี่ยจะเกิดตามหลังจิตที่เป็นกลางเพราะปัญญา ถ้าศักว่ารู้ว่าเห็นได้จริงๆไม่นานนีก็ได้ธรรมะอย่างตอนนี้เราเห็นเจริญขึ้นมาเรายัางดีใจรู้ทันเสื่อมไปเราไม่พอใจรู้ทันนะจนวันหนึ่งมันเห็นมันพอมันเห็นเลยเจริญทีไรก็เสื่อมได้ทุกทีเสื่อมได้แล้วก็ยังเจริญได้อีกบังคับไม่ได้หรอกใจเป็นกลางต่อความเจริญและความเสื่อมถ้าใจเป็นกลางต่อธรรมะที่เป็นคู่คู่อย่างโกรธก็ไม่โกรธโลบก็ไม่โลบหลงก็ไม่หลงสุขก็ทุกข์อะไรเนี้ย จเจริญกับเสื่อมใจเป็นกลางต่อสิ่งซึ่งเป็นคู่คู่ได้นะใจก็ไม่ดิ้นรนไม่ปรุงแต่งปราศจากตัณหาแต่นี้หมายถึงปัญญาแก่รอบพอนะอาศัยดูซับซ้ำนั่นแหละเจริญแล้วเสื่อมนั่นแหละดีอาจารย์สิงห์ทองเคยพูดนะธรรมชาติของจิตจเจริญแล้วเสื่อมพูดอย่างนี้เลยใครบอกจิตเที่ยงมิฉาทิฏฐิที่ฝึกอยู่ใช้ได้ ส, ง, สงกันบ้านในห้าเดือนครับช่วงนี้ก็คือเวลาสภาวะอะไรเกิดเนี่ยจิตมันจะถอยมาเป็นผู้ดูแต่ว่าจะเห็นสภาวะบ่อยโดยเฉพาะพวกความฟุ้งซ่านแล้วก็พวกจิตมันหนีหนีไปคิดเป็นประยะหนึง่งแล้วก็มันก็จะถอยมาดูก็จะเห็นเป็นช่วงๆก็จะเห็น บ, บ่อยขึ้นนะครับแล้วก็เมันหลักช่วงหลังจะเห็นจิตแบบเป็นคู่จิตที่ฟุงฟ้งซ่านปุ๊บแล้วก็จะรู้สึกตัว เราก็เห็นจับเป็นคู่แล้วก็ดับทั้งคู่ออ น, นั่นแห<า>ละนั่นแหละดูนะจิตทั้งทั้งคู่นั่นแหละเกิดเราดับทั้งสิน้นจิตทั้งคู่นั่นแหละบังคับไม่ได้ดูเพื่อให้เห็นอย่างนี้ไม่ใช่ดูเอาดีครแล้วหลวงพ่อมีอะไรแนะนําเพิ่ไมไหมก็ทาอีกสิยังไม่พอยังไม่เป็นพระอรหันต์นี่ทําอีกครับนะทํำจนพอนะถ้าพอแล้วไม่ต้องทําอีกงานทางโลกไม่เหมือนกับงานทางธรรมนะงานทางโลกไม่มีวันสิ้นสุด ง น, นทางทำมีที่สิ้นสุดแต่ก่อนจะสิ้นสุดต้องทำให้พอก่อนพอตรงที่ว่าจิตมันมีปัญญามันเห็นว่าทุกอย่างเป็นของชั่วคราวไปหมดเลยทุกข์ทุกข์ดีชั่วของชั่วคราวร่างกายนี้ก็ของชั่วคราวใจไม่มีความยินดีไม่มีความยินร้ายในสภาวะทั้งหลายความอยาก ใ, ใดๆก็ไม่เกิดขึ้นจิตที่มันพ้นจากอานาจของความอยากนะจิตนั้นสัมผัสนิพพาน มีความสุขมากเลยโดยที่ไม่ต้องหาสุขอยู่แ่นั้นแะทั้งวันทั้งคืนนะแต่บางทีก็สุขบางทีก็อุเบกขาในหลวงปู่สุวั์ท่านเคยเล่าท่านบอกตอนท่านแจ้งท่านใช้คาว่าตอนท่านแจ้งท่านมีความสุขอยู่ปีกว่ากว่าเดี๋ยวนี้ก็เฉยเฉยเดี๋ยวนี้ก็เป็นอุเบกขามองท่านนะฮะนี่ขนาดอุเบกขาแล้วนะโอ้โหมีความสุขมหาศาลเนี่ย งามผ่องทั้งๆ ท, ที่เป็นอมภาต์นะงดงามมากเรารู้สึกโสกปลุกมอมเมาสกลาน้ำมัต ก, การหลวงพ่อครับสามปีก่อนหลวงพอ่อหลวงพอ่อแนีว่าผมภาวนาแห้งแรงไปหลวงพ่อก็แนะนำให้ไปอ่านพุทธประวัติแล้วก็ปฏิปทาครูบาอาจารย์ครับแต่ ก็รู้สึกดีขึ้นนะครับแต่ตอนนี้รู้สึกว่าเวลาจะคุยกับคนอย่างเงี้ยมันเหมือนมีอย่างอะไรมาดึงให้เราต้องดึงกลับมาที่ตัวเองอะครับให้รู้นะให้รู้ว่ามันมีแรงดึงเรากลัวจิตจะไหลไปใช่ครับทำไมกลัวจิตจะไหลไปเพราะมันรักตัวนี้ครั่นกลัวจิตจะเสียให้รู้ทันเนาะจิตไหลแล้วรู้นะ ไปดึงมาก็รู้รจิตไหลไปเนี่ยอ่อนไปหย่อนไปดึงมาเนี้ตึงไปตรงที่รู้ทันว่าจิตไหลนะพอดีจิตนี้ไปคิดบ่อยไหมบ่อยครับนะให้รู้ทันตัวนี้บ่อยๆนะไหล <คง S 1> ไปคิดรู้ทันไหลไปคิดรู้ทันมันกจะหลงวนเวียนไปในโลกของความคิดเวลาหลงไปในโลกของความคิดมันจะไม่รู้กายรู้ใจงั้นจิตหนีไปเรารีบรู้บ่อยๆนะไปฝึกครับนะ แล้วถ้าอย่างเรารู้อะไรแล้วรู้รู้เพินเผลออย่างเงี้ยแต่ไม่รู้เต็มตื่นนะครับไม่เป็นไรรู้เท่าที่มันรู้รู้เท่าที่รู้ได้ใช่ไหมแต่เท่าที่รู้ได้ยกเว้นการทํางานนะครับต้องรู้จริงจังนะคือมันมันรู้แล้วไม่เข้าไปแตะไม่เข้าไปเออมันมันบางทีมันแตะนิดเดียวก็เลิกละแล้วคก็ปล่อยรู้แล้วปล่อยรู้แล้วปล่อยผมนึกว่าผมเผลอยาวสิจิตมันไม่เอาเหมือนกระทบนี้ก็วางกระทบนี้ก็วางแต่ แต่ถ้ามีธุระต้องจดจ่อเข้าไปใช่ครับต้องต้องใช้แรงแรงมาคุยมากเลยคอนเซนเทรตเข้าไปไม่งั้นจิตมันแต่เล้วหนีแต่แล้วหนีไปได้่อยุชจิตมันติดแตะแล้วหนีเนี่ยเพราะมันรักความสุขอ๋อแล้วให้รู้ทันว่าจิตติดออกติดใจในความสุขความสงบมันก็ยังไม่เป็นอย่างนั้นแต่ผมทําทําสมถะไม่ได้นะครับือผมไม่เคยจิตไม่เคยรวมเลยครับคือไม่แน่ ไม่รว ม, ามาไม่เป็นไรไม่รวมก็ไหว้พระสวดมนต์เยอะๆนะพุโทโธไปก็ได้รวมก็ช่างไม่รวมก็ช่างให้จิตมันมีบ้านอยู่ไม่จําเป็นต้องรวมก็ได้พุโทโธพุโทโธไปนะจิตนี้ไปแล้วรู้ทันพุโทโธจิตนีแล้วรู้ทันอย่างนี้จิตก็มีบ้านอยู่ละไม่ได้ติดสมาธิหรือว่าแต่แต่ผมว่าติดเพลงนะครับเพลงนั่นแหละสมาธิละเพราะฉะั้นโดยปกติเลยนะนักปฏิบัติติดสมถะแทบเท่งนั้นน่ะ บางคนหลวงพ่อบอกว่าติดสมถะนะไม่เชื่อเลยนะบอกไม่เคยนั่งสมาธิความจริงติดอยู่ตั้งแต่เกิดเลยชอบเพ่งอะ่ะถ้าอย่างถ้าอย่างผมคุยกับหลวงพ่ อ, อย่างเงี้ยเหมือนผมมีคนดูลากลากตัวผมกับหลวงพ่อแต่คนดูเนี้ยเราต้องไม่ประคองไว้นะถ้าเราประคองไว้ใจจะแข็งเกินไปนะต้องไม่ประคองไว้เพราะฉะนั้นเรารู้เล่นๆนะมีคนหนึ่งเป็นคนดูอยู่แต่เราไม่ประคองตั ว, ต, วตัวผู้รู้ผู้ดูไว้ ถ้าจงใจรักษาไว้มันจะไปรักษานั่นแหละเพราะว่ามันกลัวหายทําไมกลัวหายเพราะมันของดีมันรักตัวเองอีกสุดท้ายมันก็วนกลับมาตรงนี้ทุกเรื่องเลยเห็นไหมแกนกลางของปัญหาทั้งหลายรักตัวเองกลับมาตรงนี้หมดเลยให้รู้ทันเอาที่ภานาตอนนี้ดีนะไม่ทาอีกฟุ้งซ่านน้อยลงยังเดี๋ยวนี้มันช่วงนี้เป็นผู้ เป็นผู้อพยพอะครู้สึกิฟุ้งซ่านเยอะหลายเรื่องเลยค่ะหลวงพ่อสามเดือนเนี้ยหนูแบบเดือนแรกๆเนี่ยค่ะอืมคือเห็นร่างกายเป็นของเราอะค่ะไม่ใช่เรานะคะเอแต่ว่าเวลาใครมาแตะนิดนึงเหมือนงูอ ะ, ะไม่ได้อะคือมันแบบมันเหมือนแบบป้องกันตัวสร้างกำแพงของตัวท่านเองเป็นอย่างนั้นทุกคนแหละแล้วมันก็ท้อหลวงพ่อโอ มันทำไมมันรักตัวเองหนึ่งขนาดนี้อืมไอ้ที่อยากให้มันเลิกรักตัวเองก็เพราะรักตัวเองอี่แล้วใช่ค่ะแล้วก็แล้วก็ช่วงนี้มันเนี่ยค่ะหลวงพ่อรู้สึกว่ามันโลกมันน่าเบื่อค่ะเวลาดูโฆษณาอย่างโฆษณาของที่ผู้หญิงแต่เบื่อตัวนี้เป็นเบื่อโทสะนะมันโมโหใช่ไหมคะมันโมโหมันไม่ใช่นิพิทานิพิทาเนี่ยเบื่อด้วยปัญญาเห็นว่าทุกอย่างมันชั่วคราวเหมือนกันหมดเลยแต่นิมเป็นโทสะมันไม่ได้อย่างใจ แตเวลาสมมติว่าหนูดูโฆษณาหรืออะไรโฆษณาสื้อผ้าสวยๆนก็มันก็จีบมันก็บอกว่าไม่เห็นจะต้องไปแต่ง่อะไรให้มันสวยมากข<อ>นาดนะีเรอ น, นี้เราก็รู้ว่าเนี่ยเรามีความเห็นอย่างนี้ถ้าเราเห็นว่าคนอื่นผิดเราถูกนะอันนี้ก็กิเลสเราอีกแล้ว ก, แวก็แล้วก็จะเบื่อเพื่อรอบข้างฮะรู้สึก<อ>ว่าเนี่ยแม่มันโทสะแหละ <laughs> ไม่คื อ, ค, อคือเบือ่อหนูเบื่อการที่ต้องใส่หน้ากากาเข้าหากั น, นะคะใส่ไปตามหน้าที่ แต่มันมันมันคุกอะค่ะหลวงพ่อมันรู้สึกว่ามันไม่เห็นจําเป็นเลยอ่ะคนเรามันก็ทำงานก็ทําไปเสร็จก็กลับมาสมมติสมมตินะก็เป็นความจริงของสมมุตินะเพราะ้เวลาเราอยู่ในโลกของสมมุติเราก็ต้องเล่นกับสมมุติเป็นไม่ใช่ปฏิเสธสมมุติหรอกแต่มันจะมันคุกอะค่ะหลวงพ่อทุกเพราะใจเรายังไม่ยอมก็ต้องยอมไปใช่ไหมคะถึงยังไงก็ต้องยอมเพราะเราไปแก้โลกทั้งโลกไม่ได้ นะคะบางทีหนูก็รู้สึกว่าหนูแปลกแยกจากคนในในที่ทำงานถ้าภาวนาถูกต้องนะภาวนาดีนะจะกลมกลืนอยู่กับโลกนะแต่ไม่ปนเปื้อนอยู่กับโลกเหมือนเหมือนดอกบัวนะอยู่ในน้ําอยู่ในโคลนแต่ไม่เปื้อนโคลนไม่เปื้อนน้าถ้าภาวนาแล้วเหมือนดอกบัวในแจกันเนี่ภาวนาไม่ถูกละเหมือนดอกบัวในแจการแสงว่าเราพยายามตีกรอบรักษาเราตีกลอบไว้ไม่ให้อย่างอื่นเข้ามากระทบเลยหนูว่าจะเป็นดอกบัวในแจกันรู้สึกไหมใช่ งว้นหนูไปเป็นดอกบัวในบอ่อไปนั่ น, นหนูควจะทายังไงดีคะกับหนูรู้ทันใจซึ่งไม่เป็นกลางไหม <S <S <S ปัญหาไม่ได้อยู่ที่คนอื่นปัญหาอยู่ที่ใจเราไม่เป็นกลางเขาก็อยู่ของเขามาอย่างนี้ตั้งกี่พบกี่ชาติเขาก็อยู่กันอย่างนีนะ้โลกมันก็เป็นอยู่อย่างนี้แหละเราต่างหากแปลกแยกกับมันนักปฏิบัตินะไม่แปลกแยกนะไม่เป็นปฏิปักษ์กับสิ่งแวดล้อมนะแต่ไม่คล้อยตามมันห บางทีเราหนูรู้สึกว่าการที่เรายืนหยัดบางบางอย่างมันทําให้มันยากมากอ่ะ่ยากมากล<า>นูพ่อก็ผ่านมาแล้วนะคะตอนรับราชการใหม่ๆเป็นผู้น้อยนะเวลาไปกินข้าวกับผู้ใหญ่นะมันชอบกินเหล้าอะ่ะเราเนี่ยถือศีลไม่กินเหล้าอะ่ะทํายังไงจะอยู่กับพวกกินเหล้าได้โดยที่มันไม่เขม่นทีแรกมันก็เรียกให้เรากินนะเราก็บอกกินไม่เป็น ได้กลิ่นก็เวียนหัวจะแย่แล้วอะไรอย่าเงี้ยนะอ้างน้อนอ้างนี้ตอหลังเปลี่ยนใหม่เลยชงเหล้าให้มันกินไปเลย <c oughs> เรากินกลับอย่างเดียว <c oughs> แล้วพอเราผ่านไปหลายปีนะซีเราใหญ่ขึ้นนะใครมานั่งโต๊ะเราไม่กล้ากินเหล้าออต่อไปหลวงพ่อคะเราเราควรจะดูมันไปใช่ไหมคะรู้ <c oughs> ทันใจที่ไม่เป็นกลาง <c oughs> รู้ทันใจรู้รู้รทันใจไม่เป็นกลางรู้ไปเรื่อยๆอย่างนี้ <c oughs> ใช่ <c oughs> เห็นไหมใจมันไม่เป็นกลางใจมันไม่ชอบชแต่มันอยากได้อันอื่นอยากให้เป็นอย่างอื่นใช่ค่ะอยากอยู่อยากสงบสงบอยู่คนเดียวเราสงบสงบเออนั่นแหละให้รู้ทันนะมันจะเอาอย่างหนึ่งคือจะเอาสงบแล้วก็ปฏิเสธความไม่สงบถ้ายังใจยังชอบอันนึงเกลียดอันหนึ่งอยู่ไม่เรียกว่านิพิทาหรอกนิพิทาเนี่นะสุข ก, กับทุกข์ทเท่ากันเลยค ไปทําอีกอย่าท้อใจจะทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆใช่ไหมคะเออยังทุกไม่พอคือใจมันยังคิดว่ามีทางหนีอยู่ใช่ค่ะมันพยายามแล้วพยายามจะสู้กับมันอยู่มันจะหาทางหนีอยู่นะว่ามันต้องมีทางออกที่หลุดออกไปแล้วมันสบายทํางนี้ดีเนียบเลยเพราะบางวันมันก็เหมือนมันจะอีกนิดหนึ่งมันก็จะหลุดเหมือนมันจะขาดอะค่ะเออนั่นเป็นอย่างนั้นทุกคนแหละไอ้นิดเดียวนี่แหละนาน คุเป็นอย่างนั้นทุกคนนะอาจาร์มหาบัวก็เคยเล่านักปฏิบัติอนะมันเหมือนมางคนที่พ่านอยู่ต่อหน้าอีกนิดเดียวแต่อีกวันหนึ่งพอวนาไม่เป็นแนละ้เหมือนคนไม่เป็นเลยอ้าว่าไปมรสการครับหลวงพ่อครับขออนุญาตส่งการบ้านครับยกยกใหม่ขออนุญาตส่งการบ้านครับหลวงพ่ อ, อช่วงนี้ได้มีเวลาจัดสรรเวลาในในใ น, ในชีวิตประจําวันให้ทําปนรูปแบบมากขึ้นเขาซื้อพระจิตมีแรงครับือ รู้สึกว่าจิตมันมีแรงขึ้นใช่สิครับเรกต้อให้ทําในรูปแบบ่็เพื่อให้มีกําลังนั่นแหละครับแล้วทีนี้ในชีวิตประจําวันก็เห็นธรรมดาของธรรมที่มันเกิดดับกระดับเวลาทีนี้ไปเห็นไปเห็นสภาวะที่จิตมันมันมีความผูกพันกับกับโลกครับมันมันหนาแน่นมากครับพ่อเลยรู้สึกมัอนเออใช่ไหมมันหนาแน่นขนาดนี้มันผูกพันรู้ทันแล้วนะจะไปใจมิฉลาด มันรู้ว่าถ้าเราไปยึดไปถืออยู่ใจก็ทุกข์นะครับพอไปเห็นงี้ไม่ค่อยคลายออกครับแต่แต่สิ่งที่มันแยกมันก็ยังแยกแยกอยู่ปกติแต่ไปเห็นตรงสภานสภาวะที่จิตตัวเนี้ยมันไปยึดเข้าเลยถ้ามันมันพึ่งมาเห็นอะไรอย่างเงี้ยครับดีสิดีที่เห็นครับมี ม, มีมีส่วนไหนที่จะต้องกลับไปรู้เพิ่มไหมครับหลวงพ่อก็ทําความสงบบ้างอย่าให้จิตฟุ้งซ่านก็นแล้วกันครับนะช่วงนี้แม้แต่ช่วง การทําในรูปแบบยังยังสงสัยแม้แต่วิหารและทำยังสงสัยเลยครับหลวงพ่อ <laughs> จิตมันฟุ้งไปครับไม่รู้ทันว่าฟุงา้งซั้นหาเครื่องอยู่อยู่กับพุทโธอยู่กับลมอะไรงนี้นะให้จิตได้พักบ้างแล้วมันจะแก้ตัวนี้ได้ไม่งั้นจะงงไปเรื่อยๆถ้าจิตมันฟุง้งครับขอขออนุญาตให้ภรรยาเนีน่ยอย่กาการภวนาได้แต่ภรรยาจะต้องการหรือ ก็เขาเขาภาวนาพองยุบมาครับหลวงพ่อแล้วก็ฟั ง, งยุบ ก, ก็ไม่ไปเป็นไรก็ดูท้องพองยุบไปนะให้จิตหนีไปคิดรู้ทันจิตไหลไปอยู่ที่ท้องรู้ทันพองยุบไปแล้วรู้ทันจิตไหมคุณครับเขาดีใจละไม่ต้องส่งกันบ้านถูกสามีบังคับบ่อยไหมอยู่บ้านไม่บ่อยนะแล้วเราบังคับสามีบ่อยไหมไม่บ่อยเหมือนกันนะดีสาธุ อ่ะเชิญกลับบ้าน